ขอโมทนาเราท่านทั้งหลายในช่วงบ่ายเนาะในการศึกษาคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะีตอนนี้ก็คือเรามาศึกษาในกรณีในเรื่องของสัมภารวิบากดังที่ได้กล่าวนั่นแหละแต่ในการศึกษาคําสอนในเรื่องนี้ก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวในเรื่องของพุทธคุณกล่าวคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธคุณที่ปรากฏโดยเป็นคุณธรรมเป็นเหตุ เราท่านทั้งหลายสาธยายหน้าวันนี้เน่ยไหมก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายต้องมาพิจารณาตามพระบาลีโดยเฉพาะในอังคุตระนิกายเอกนิบาตที่พระบรมศาสดาตรัสไว้บอกเอกกับภุฆโรภิกขเวเอกโอุปัตชมาโนเป็นต้นเหล่านี้ที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลคนหนึ่งจะอุบัติขึ้นก็ย่อมอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์สู่แก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลนั้นคือใครบุคคลนั้นก็คือพระตถาคตผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอ ง, เองดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลคนหนึ่งเมื่อจะอุบัติเกิดขึ้นก็ย่อมอุบัติเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แกมหาชนเพื่ออนุข้อโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ โดยการพาฒนาคุณของพระบรมศาสดาที่เราศึกษาในคำพีสัมปรวิบากเริ่มตั้งแต่ตั้งปฐมจิตในการปราถนาเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเริ่มสร้างบารมีเริ่มตั้งแต่ยี่สิบอสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับทึ่งนับไม่ท้วนดังนั้นน่พระนามของพระองค์จึงปรากฏนับไม่ได้เช่นกันข้อนี้สมดังที่พระสารีบุตรได้กล่าวไว้บอกว่าอสงขยานินามี สคุลเนนามะเฮสีโนโ่คุณเนนานามะมุทเทยังอ ป, ปินามาสหาสโตบอกว่าพันนามของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคุณธรรมไม่มีใครนับจำนวนได้บุคคลพึงยกพันนามนะยกพันนามขึงพระผู้มียกพันนามของพระบรมศาสดา ข, ขึ้นกล่าวด้วยคุณธรรมแม้ด้วยพันนามพันชื่อเนะีย ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าพระบรมาศาสดาจะดับขันเสด็จดับขันทั้งพรินิพานมานานนับศาสนาโยการของพระบรมาศาสดาก็ล่วงมา2 5 5 2 5 3แล้วนะพรรษาแล้วนี่ก็ดีเนี่ยถึงกันนั้นพระคุณอันมีอนเอกอนกนนก็หาล่วงรับดับไปเหมือนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระองค์มายังฝังแน่นอยู่ในดวงใจของเราท่านทั้งหลายอยู่ใช่ พระคุณของพระบรมศาสดาไม่มีใครในโลกที่สามารถจะพรมนพรานาให้สิ้นสุดลงได้ดังพระดำรักที่บอกว่าอากาสังจาการันจาสัตตาพุทธคุณาปิจาออนันตานามาจตุตาโรปริเฉโทนวิชตีท่านบอกว่าอากาศ จักรวาลหมู่สัตว์และพุทธคุณมีสี่ประการนะหนึ่งอากาศสองจักรวาลเนี่ยแสนกวจักรวาลเนี่นะและหมู่สัตว์ที่เป็นไปในจักรวาลทั้งสิ้นที่เป็นไปในโลกทุกๆใบเนี่ยอากาศก็ดีจักรวาลก็ดีบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายใน31มบภพและใน31มสิบภพนั้นทุกจักรวาลก็มี31มบภพหมดเลยเนี่ยนะ ไม่ว่าจะอากาศก็ดีจักรวาลก็ดีหมู่สัตว์และพุทธคุณ4อย่างนี้หาที่สุดไม่ได้ไม่สามารถที่จะกำหนดขอบเขตได้แม้พระวังคีสาเทระก็กล่าวชมเชยบอกว่าภาษาวกผู้ดได้บรรลุวิชาสามคือปุเพนิวาสานุสติยานคือยานที่เป็นไปกับสติที่ตามลึกชาติทุนหลังตนเองได้จุดูปปาตยานคือยานที่รู้จุดติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลาย อาสวะขย้ายานคือยานที่ทําอาสวะกิเลสคือกามาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะให้สิ้นไปนี่นะภาสาวกผูดได้บรรลุวิชาสามละมัจจุราชได้ก็หมายความว่ามัจจุมาเนี่ยมารคือความตายเนี่ยสาวกที่บรรลุเป็นพระอรหันต์นั้ท่านตัดได้ขาดหมดแล้วมารเหล่านี้ไม่สามารถที่จะก้าวล่วงกระแสขันธ์ธาตุเจตนาของท่านเหล่านี้แล้วเพราะท่านเหล่านั้นก้าวล่วงความตายไปแล้ว ยังพากันแวดล้อมพระมหามุนีผู้ประทับอยู่ที่ข้างภูเขาภาษาวกเหล่านั้นก็พากันแวดล้อมพระมหามุนีผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติทุกอย่างทรงถึงฝั่งแห่งทุกถามว่าอะไรคือฝั่งแห่งทุกคือบรมธรรมบรมธรรมก็คือธรรมที่ทำให้ข้ามฝั่งปกติแต่เรานั้นยังไม่ถึงฝั่งแห่งทุกใช่เราท่านทั้งหลายนี่ยังประสบกับชาติทุก ชาลาทุกพญาทิทุกข์มรณทุกสโสกาพุทธิเดวทุกขโทมนาสสะและอุปาญาตเรานั้นยังไม่สามารถเข้าถึงที่ที่สุดแห่งฝั่งก็คือยังไม่สามารถบรบรลุบรมธรมรมบรมธรรมนั้นคือธรรมที่สูงสุดกล่าวคือพระนิพพานในที่นั้นหมายถึงอนุ ป, ปาธาปรินิพพา น, านเมื่อเราถามบอกว่าพระสาวกเรานั้นพากันแวดล้อมพระหมหามุนีผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติทุกอย่างทรงถึงฝั่งแห่งทุกแล้ว ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณมากมายพระคุณของพระบรมศาสดาไม่ว่าจะทศพลยานสิเวนิกธรรม18พุทธยาน14แล้วก็เวสาลัชยานสี่เป็นต้นแม้บรรดานักปราชญ์ในยุคต่างๆจึงพากันพารนาคุณของพระผู้มีพระเจ้าด้วยปัญญาอันประณีต ก, ก็ไม่อาจจะพารนาได้หมดสิน้นดังนั้นพระพุทธคุณนั้นมีมากเป็นอเนกอันัน สมดังที่ท่านพระเถรคาถาจารย์ได้กล่าวไว้บอกว่าพุทธโธปีพุทธาพเนยวันหนังกับปัมปีเจอัญญภาสมานูขีเยทะกัปโปจรทีขมันตตเรวันโนนขีเย ท, ะ ท, ะทาตถาคตตสาบอกว่าหากแม้พระพุทธเจา้า จะตรัสพลน า, าพระคุณพระพุทธคุณของพระบรมศาสดาด้วยกันจนตลอดกลับหนึ่งโดยสิ้นไปกับหนึ่งไม่ได้ตรัสคาอื่นเลยเน่ยกับหนึ่งนั้นพึงหมดสิ้นไปในการอัญช้านานแต่พระคุณของพระบรมศาสดาดไม่ได้หมดสิ้นไปไม่สามารถจะหมดสิ้นไปเราท่านทั้งหลายก็ลองพิจารณาดูนะว่ากับหนึ่งที่บอกว่ากว้าง16กิโลเมตรลึก16กกิโลเมตร ยาวก็สิบหกกิโลม ấy. ในบรรดาความลึกความกว้างขนาดหลุมขนาดนั้นนะ่ะร้อยปีก็เอาเมล็ดพันธุ์ผรกกาดหย่อนไปเม็ดหนึ่งจนเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นเต็มหลุมนั้นแหละก็ยังน้อยกว่ากับหนึ่งประมาณขนาดนี้กับหนึ่งยังยังมากกว่านี้ฉะนั้นพระบรมศาสดาถ้าจะอยู่ตลอดกับแล้วพรลน า, าคุณของพระเจ้าไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลย เรื่องการสร้างบารมีมายี่สิประสงค์ไถ่เนี่ยว่าเคยเป็นอะไรมาบ้างเพราะพระ อ, องค์จะรู้ละเอียดใช่ไหมภาลนาเนี่ยคุณของพระทธเจ้ายังไม่หมดแต่กลับนั้นหมดไปก่อนนั่นแหละคือวิธีคิดถึงบอกว่าสัตว์โลกอย่างเราท่านทั้งหลายนั้นน่ยไม่พึงคิดคําว่าไม่พึงคิดในที่นั้นหมายความว่าไม่พึงคิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลแต่พึงคิดด้วยจิตที่เป็นกุศล พเพื่อได้จะตามและนึกถึงคุณจะได้เห็นคุณของท่านทีนี้ห้องของปัญญาของแต่ละบุคคลนั <ต cort' S 1> ้นไม่เ ท, ท่ากันบางท่านเนี่ยสภาพของปัญญานั้นน่สามารถที่จะคิดได้กว้างคิดได้ลึกแต่บางท่านนั้นคิดได้กว้างแต่ความลึกคิดไม่ได้บางคนคิดลึกได้แต่กว้างไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นี่นะบางคนก็คิดได้น้อยนิดเหลือเกินเนี่ยแต่ปรมิามาณของปัญญาที่คิดได้นั้นอยู่ที่ปริมาณของศรัทธาของแต่ละบุคคล ถ้าภาษารียบุดคิดคุณของพระเจ้าเนี่ยจะคิดได้มากเพราะภาษารีบุตรมีศรัทธามากเพราะพระภาษารีบุตรมีปัญญามากกว่าภาษาวกทุกท่านและก็มีศรัทธามากกว่าภาษาวกทุกท่านอย่างนี้เป็นต้นถ้าพระปเจ้าพระเจ้าก็คิดคุณของพระเจ้าได้มากถ้าพระพุระเจ้าด้วยกันก็คิดคุณของพระเจ้าได้โดยหาประมาณมีได้อย่างเราท่านทั้งหลายคิดคุณของพระเจ้าก็ได้ประมาณของความรู้ความสามารถและความเข้าใจขอแต่ละบุคคลบางท่านเนี่ยคิดคุณของพระเจ้าแทบไม่ได้เลย ได้พุโทโธคำเดียวหายใจเข้าพุทหายใจออกโธใช่ไหมใช่อันนั้นก็ต้องไม่เป็นไรขอให้คิดได้กันแล้วกันพระพุทธเจ้าบอกว่าบอกให้บอกแกพรามบอกว่าบอกแก่พรมบอกว่าดูก่อนพรมบอกให้สัตว์ทั้งหลายปล่อยศรัทธามาในตถาคตเถอดก็หมายความบอกว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเอาแค่ศรัทธาเทียมเอาเอาตัวมิจฉาทิโมกเช่น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 แต่ของเราที่ทำทาไปขนาดแบบสามัญธรรมดาเรายังสามารถพลิกโอกาสของเราให้ขึ้นมาอยู่ในฐานะตามสถานะของแต่ละบุคคลได้เราลองมาคิดดูดิถ้าเราจะทำศรัทธาเกิดเป็นศรัทธาแท้ๆวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เหมือนกันเราจะบ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นให้เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่แท้จริงแล้วก็เดินตามรอยบาทพระศาสดา คิดอย่างที่พระเจ้าบอกคําสอนมายอย่างไรล้วก็จะคิดตามท่านเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดใช่ไหมฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยแก่การทําให้เราเข้าถึงคุณของพระตถาคตได้ท่านบอกว่าช่างดอกไม้หรือลูกมือของช่างดอกไม้ผู้ชํานาญก็ร้อยกรองดอกไม้หลากหลายนาน า, นานชนิดให้เป็นพวงมาลัยอันวิจิตรได้แม้ชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระพระักผู้คุณมากมายเป็นอันเก ทรงพระคุณหลายร้อยชั้นนั้นเหมือนกันใครเล่าจากพารณาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เกี่ยวกับในเรื่องนี้ในยุคสมัยปัจจุบันนะโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์เขายอมรับกันในคาถาที่ท่านประพันธ์ไว้เป็นข้ออุปมาบอกว่าสหัสสีเปสเปเสปเจปิโสศีเสศีเส ส, สตังมุขา มุเขมุเขสตังชิวหาชีวากับโปโมหิตธิโกนักสโกติจวันเนตุงนิเสสังสัตถุโนขุหนังนี่นะแม้หากจะมีบุรุษผู้มีมหิตทิศัก็คือมีศักดิ์มากมีอำนาจมากสามารถเนรมิตศรีรษะได้หนะนึ่งพันศีษะนะนีมะนิมิตเนรมิตศีษาันตัวนี้ออกมาเป็นหนึ่งพันแต่ละศีรษะนั้นก็มีปากอยู่ร้อยปากแต่ละปากก็มีลิ้นอยู่ร้อยลิ้นก็เท่ากับ มีปากหนึ่งแสนมีลิ้นหนึ่งโกดคือมีปากมีปากอยู่หนึ่งหนึ่งแสนปากแต่มีลิ้นอยู่หนึ่งโกดหนึ่งโกดนี่เท่าไหร่สิบล้านสิบล้านลิ้นมีชีวิตอยู่หนึ่งกลับไม่ได้ทำกิจอื่นอย่างอื่นเลยพรานาคุณของพระเจ้าเนี่ยกลับนี้สิ้นไปแต่คุณของพระเจ้าก็ไม่ไม่หมดไม่สิน้น เอาคิดออกไหมแบบเนี้ยเอจะคิดยังไงเอ๊ะทาไมบอกพุทธเจ้าใช่ไหมพระบรมศาสดาเนี่ยพลนาคุณของพระบรมศาสดาด้วยกันเองกลับนี้สิ้นไปคุณของพุทธเจ้าก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่จบไม่สิ้นเอาเนี้ยเอามนุษย์ธรรมดาใช่ไหมที่บอกว่ามีมีหนึ่งพันศสีสนี่แหละแล้วก็มีปากอยู่แต่แต่ละศีรษามีอยู่ร้อยปากเนี่ย สรุปก็คือว่าหนึ่งศรีษามีร้อยปากใช่ไหมถ้าพันศรีษา ก, ก็หนึ่งแสนก็คือมีปากอยู่หนึ่งแสนมีลิ้นอยู่หนึ่งโกดคือมีลิ้นอยู่สิบล้านไม่ได้ทํากิจอย่างอื่นเลยพัลณาคุณของพระเจ้าอย่างเร็วเลยนะจนกลับนี้สิ้นไปเขาบอกว่าคุณของพุทธเจ้าก็ไม่จบไม่สิ้นว่างั้นเออเราจะมาคิดยังไงต้องคิดบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นเน่ะ ท่านมีพระวาจานี่เร็วมากพระวาจนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสได้รวดเร็วมากฉะนั้นอย่างเราเนี่ยพูดสักร้อยคำพันคำเนี่ยนะเราพูดได้สักคำสองคาเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ไปไม่รู้กี่ร้อยคําแล้วเป็นต้นเนี้ยฉะนั้นตรงเนี้เพื่อให้เข้าใจในเรื่องนี้ท่านก็ยกเอาเรื่องของพระละหันเถระเจ้าผู้มีปัญญามากที่ที่เคยเราที่บอกว่า ที่เคยเล่าไว้ตอนช่งชวงเช้าเนี่ยที่บอกว่ามีเรื่องเล่าไว้ในเจติยาทีรีมหาวิหารซึ่งอยู่ในลังกาทวีภิกษุรูปหนึ่งใช่ไเป็นผู้มีคุณวิเศษในพุทธศาสนาและก็หมดกิเลสมีปัญญา ม, มากสามจบพระไตรพิดกและก็ชำนาญในกรรมาฐานมีหมู่นิกรสงเป็นบริวารจำนวนมากแตกฉานในปฏิสัมพิทาญาณทั้งสี่ทั้งอัฏฐปฏิสัมพิาทมมาธรรมนิรุตติปฏิปภมปฏิสัมพิทานี้นะ เป็นที่สักการะบูชาของท้าพญาทั้งปวงพระท่านก็แสดงธรรมพระลบนี้มีชื่อว่ากาลพุทธลกิจตาเทระวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถท่านก็กำลังแสดงธรรมดังที่ได้กล่าวพรรณนาคนของพระบรมศาสดาตั้งแต่ตอนนี้แหละเย็นๆไปจนถึงนี่นแหละสว่างก็กล่าวเอาสารว่าอิทัมโมจะฟักว่าเป็นต้นแล้วก็จบเนาะเวลาท่านกล่าวในยุคนั้นท่านจะกล่าวเพราะนะอย่างยกตัวอย่างเวลาไอ ในกรณีอย่างที่ท่านสวสดไอ้ธรรมาจักเนี่ยใช่ปะเอวามสุตังเอกังสมยังบะวาภารานสิยังวิหรารตีอิสิปัตเนมกกะดายเยตัตระโคบะวาปัญจวกิเยพิคุอามันเตสีโวยเมพิกเขวิ อ, อันเต อันตาปภิชิเตเณนาเสวิตาภากัตเตเมทเวโยจายัายางกาเมสสกามสุขัลิกานุโยโคอินโอคัมโมโปทุเชนิโกอนาริโย อ, อนาตาสานิโตเขาไล่ไปทตามแบบนี้นทีนี้นนเวลาก็สารรเสริญพุทธคุณเนี่ยก็จะสรรเสริญก็จะฟังเพลาะใช่ไหมฟัง ถ้าอย่างเราเนี่ยถ้าไล่สูตรเพราะว่าไปจริงเนี่ยหลับหนีออกมาหมดเลยไอ <C> ้มาก็ต้องมาขยายขยายไา้มาก็แสดงทำกระท้อนกระแท่นเย็นทุกวันนี่แหละเข้าใจใช่ไหมคือจะไล่ตามสูตรไล่ไม่ได้อัทธาพยัญชนะของคําสอนเนี่ยก็ต้องมาขยายแต่ละศัพท์แต่ละศัพท์ก็เลยต้องหยุดเป็นช่วงไปช่วงทีนี้ท่านกษาตริย า, ายพุทธคุณไล่ไปตามลําดับที่บอกว่า พอหลังจากจบเนี่ยก็เสียงสาธุสาธุสาธุาธก็ทุกคนก็ที่สุดบริษัทเนี่ยท่านก็เอเหล่าพุทธบริษัทพระเทลาก็หันไปยังเสียงนั้นก็ได้เห็นบุรุษรูปร่างใหญ่ยืนอยู่ที่ข้างหลังบริษัทนั้นน่ยนะก็คือเป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าพระเจ้าสิทธาติษฐ์มหาราเป็นกษัตริย์ของรังกาเทวีนั่น ถ้าเทระก็บอกขอถวายพระพรมหาบาพิตรลาจะสมพานเจ้าเสด็จยืนอยู่สิ้นตลอดลาตีสามยามชนียากที่ผู้อื่นจะทําำนะพระเถระก็กล่าวชมพระมหากษัตรยสทูปนั้นก็บอกว่าท่านนั้นก็บอกว่าการที่โยมเนี่ยยืนฟังพระธรรมเทศนาที่พระคุณเจ้าแสดงตลอดปัถมยามมาชิมมยามปัจฉิมยามเนี้ไม่ไม่อัศจรรย์ แต่ข้อซึ่งยอมนี้ตั้งใจฟังจนจบไม่ได้ส่งจิตไปณที่อื่นเลยเนี่ยอันนี้ยากที่บุคคลอื่นจะกระทาได้อย่างยอมว่ายอมฟังพระธรรมเทศนาที่พระคุณเจ้าแสดงเนี่ยยอมปีดาพิรม์ชมชื่นยิ่งนักไม่ได้ส่งจิตไปณที่อื่นเลยพระคุณเจ้าก็พระธรรมเทศนาแสดงสรรเสริญพระพุทธคุณพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณที่พระคุณเจ้าแสดงเนี่ยมีความลึกซึ้ง แล้วก็สามารถทำให้โยมนั้นเกิดปีติปลาโมดประสธิความสุขและสมาธิได้ตั้งปฐมยามมระชิมยามและประชิมยามทีนี้พระก็บอกขอถวายพระพรบอโอ้โหอัศจรรย์มากคนที่จะทำได้อย่างนี้ใช่ไหอย่างเราเนี่ยถ้าจะทำได้แบบไม่ส่งจิตไปในที่อื่นได้ก็คือหลับฟังเลยใช่ไคือฟังปุ๊บแล้วหลับอย่างเงี้ยได้ ใช่ไหมใช่ใครบ้างเอาสามารถจะฟังแล้วไม่สามารถจะเอาจิตออกไปนอกเสียงพระธรรมเทศนาเลยตรงเนี้ยตรงนี้บ่งบอกให้เห็นบอกว่าบุคคลที่มีความศรัทธานั้นถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อพันกว่าปี น, นี่มีจริงจัทายังมั่นคงใช่ไหมถึงบอกว่าผู้ที่ทรงคุณอันประเสริฐแล้วก็ยังมีบุรุษผู้หนึ่งก็ยังสามารถที่จะฟังทำได้ในลักษณะนี้ก็เป็นของที่ยาก ทีนี้พระเถระเจา้าทีนี้ท่านก็ไมท่านก็บอกว่าขอให้พระคุณเจ้าเนี่ยช่วยแสดงธรรมโปรดยมอีกได้ไหมคือแค่นี้ยังไม่อิ่มหมายความบอกว่าแม่คือคุณของพระบรมศาสดายิ่งฟังยิ่งจับจิตจับใ จ, บจ ย, ยิ่งฟังยิ่งเกิดความไพลราะยิ่งเพิ่มศรัทธาขงโยมมากขอให้พระคุณเจ้าเนี่ยช่วยอนุเคราะห์ยมด้วยเถอด จงแสดงพระธรรมเทศนาอุปมาอุปไมให้ยอมนั้นเกิดความลึกซึ่งเกิดสัตทินรียวิฏยินทรีย์สตินซีนซ ส, นซสมาทินรียแล้วก็ปัญญินทรีย์ในคุณของพระบระมา ศ, า ศ, าศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดพระเถระพระกาละพุทธลกขีตะพระรหาร น, นั้นก็ได้สดับพระบระมราชโองการอย่างนั้นแล้วก็เลยตรัสเถวาจา่าบอกขอถวายพระพรหมาบาพิษบอกว่าผู้ทรงคุณอันประเสริฐยังมีบุรุษผู้หนึ่งไปสู่นาข้าวสาลีอันกว้างใหญ่ไพศาล น, นะ คืนนาข้าวนั้นมีความกว้างประมาณพันกรีตก็ประมาณพันไล่อย่างนี้เป็นต้นนะนะบุรุษคนนั้นเด็ดเอาข้าวสาลีมารวงหนึ่งคืนนาข้าวเนี่ยเอางี้ว่าเอาจาักราวาลก็แล้วกันนาข้าวทั้งผืนแผ่น ด, ดินเนี่ยนะทั้งผืนแผ่น ด, ดินเนี่ยเป็นข้าวสาลีทั้งหมดก็มีบุรุษคนหนึ่งน่ะเอารวงข้าวสาลีมาหนึ่งรวงในหนึ่งรวงก็มีเป็นร้อยอยเม็ดใช่ไหมร้อยร้อยเม็ด ก็ามาเด็ดลงมาแล้วก็ย่อมบอกว่ารวงข้าวสาลีที่เด็ดมาหนึ่งรวงนั้นมีประมาณน้อยนะแต่มเมล็ดข้าวสาลีที่ยังอยู่ในพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นเหล่านั้นนะ่ะมีมากไหมมีมากฉะนั้นพระคุณของพระบรมศาสดาที่อาตมามากล่าวเนะี่ยเหมือนกับรวงข้าวรวงเดียวนะแต่ที่ยังไม่ได้นํามากล่าวนั้นเหมือนกับมเมล็ดข้าวสาลีที่อยู่ในพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นโหเวลาชาวฟังแล้วก็เต็มตื่นใหญ่ใช่ไหมบอก โอ้โหคุณของพระบรมศาสดานี่มากจริงๆขอให้พระเทล่าช่วยอุปมาอุปไมยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกได้ไหม <_ n ope> <_ n ope> นี่คือ ค, อ, ค อ, อยากจะเห็นคุณของพระเจ้ามองแง่รวงข้าวสาลีแล้วใช่ไหมกรมเะเ็ดข้าวสาลีที่อยู่ในพื้นแผ่นดินนี้แล้วเนี่ยท่านก็อุปมาให้อีกบอกว่ายังมีอีกประการหนึ่งนะเหมือนบรุรุษคนหนึ่งอ่ะเอาเข็มยอมเคยเห็นเข็มมเคยเห็นไหม เข็มที่เขาเยาะผ่าต้องต้องก้นเข็มมันมีรูไหมเอาเข็มน่ยเอาตรงรูเข็มเนี่ยนะหยอดลงไปในมหาสมุทรให้น้ํามันวิ่งรอดรูเข็มมันต้องมีอยู่ใช่ไหมบอกว่าพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาที่อาตมามากล่าวเนี่ยเหมือนน้าที่วิ่งรอดรูเข็มเท่านั้นแหละแต่น้ําที่ยังเหลือในมหาสมุทรทั้งสิ้นนั้นคือคุณของพุทธเจ้าที่อาตมายังไม่ได้กล่าว โอ้โหเวลาชามากระสัดฟังแล้วก็ตื้นใจอ่ะบกโอ้โหทําไมพระคุณของพระบรมศาสดาถึงยิ่งใหญ่เพียงนี้ไหมถ้าพระเจ้าจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองใช่ไหมเพื่อนามัสการความตัดทะลุดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมการตความประพฤติปฏิบัติดีของพระรยสงฆ์ข้าพุทเจ้าเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยแม่ในพระอนนย์ใช่ไหมที่ตอนที่ว่าพระอนุนย์เห็นความอัศจรรย์ของคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านอุปมาที่ว่าอุปมาบอกว่า เอาเนี่ยเอาชมพูทวีปเนี่ยเป็นกองแล้วก็เอาภูเขาซิเนรุเป็นไม้ตีกองแล้วบุรุษคนหนึ่งก็ไปยืนอยู่บนเขาสิเนรุอีกโลกหนึ่งแล้วก็ตีนะมะตีกองอ่ะตีกองที่ใหญ่เท่ากับจักรวาล น, นี้ทั้งสิ้นเนี่ยเท่ากับชมพูทวีปทั้งโลกใบนี้ทั้งใบนการเสียงดังของกองเนี่ยก็ไปได้แค่จักรวาลเดียวแค่นั้นแหละ ไปได้จักราวาลเดียวเท่านั้นแหละแต่แสงสว่างพระรัศมีพระสุรเสียงของพระบรมศ า, ศาสดานั้นน่ะกว้างไกลไปจนถึงแสนโกจักราาวาลสัตว์ในแสนโกจักราาวาล น, นั้นสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระบรมศาสดาในขณะที่พระาศาสดาแสดงธรรมครั้งเดียวพอพระพุทธเจ้าแสดงอุปมาอุปไมยนี้บ้านบ้านน น, โ, นโอ้โหบอกว่าเป็นบุญของข้าพเจ้าเหลือเกินดีข้าพเจ้า อธิษฐานเป็นพุทธอุปถากที่ข้าพเจ้าได้กราบพระบรมศาสดาที่ข้าพเจ้าได้นวดฟันพระบรมศาสดาได้ถวายน้ําสงฆ์ได้เดินรอบพระคันตกุฏีของพระบรมศาสดาวัน ล, ละ19บรอบใช่ไหมได้ถวายอาหารได้อุปถากได้ดูแลได้อาราธนาให้พระพุทธเจ้านั้นมาแสดงธรรมโปรดภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ย ได้กราบได้เช็ดถูได้กราบไหว้ได้บีบได้นวดพระบรมศาสดาเป็นบุญนะ้ำท่านก็เกิดปีติปลาโมดปรสเทริขึ้นมางั้นเราเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะัดสถานที่ต่างๆคิดให้ได้อย่างนี้สิไหมเราจะไปเช็ดไปกวาดเราจะไปอุปถามพระบรมศาสดาเราจะเก้าน้ําไปถวายท่านเอาดอกไม้ไปบูชาคุณของท่านเราให้รู้จักประมาณตนเราจะได้เห็นคุณของพระบรมศาสดาโลวกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนใช่ไหมในลักษณะอย่างเนี้ย ฉะนั้นดังที่ได้กล่าวไว้เหมือนคําสอนที่เอามากล่าวมันเรื่องน้อยนิดไอ้ที่เหลือนะมากมายนะบางคนบอกโอ้เห็นคำพีพสำหรับวิบากใช่ไหมย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยอาตมามองทํำไมไปพูดอย่างนั้น <c oughs> ท่านซ่อนอาจซ่อนเรื่องราวไว้เยอะแยะหมดใช่ไหมแต่เราคิดไม่ออกนี่สิจะทํำยังไงใช่ไหมใช่อีกประการหนึ่งนะเขาเปรียบเหมือนสกุลชาติยอมก็เห็นนกนังแอ่นไหมบางทีเขาเรียกเล็กนกแอ่นลม บางคนก็เรียกล็อกนังแอ่นิี่บินมันกินลมอ่ะเคยเห็นไหมน่ะนกแอ่นลมตัว น, น้อยที่มันร่อนสําราญอยู่ในนภาอะไรในอากาศเนะี่ยพื้ น, นาาอากาศที่นกน้อยนั้นเหยียบเอาปีกเอาหางเหยียบไปถูกนะมีประมาณน้อยนิดไหมนั้นใ น, นกรณีที่อากาศทั้งหลายที่นกตัวนี้ก็บินโฉบเนะี่ยไอตัวที่ขาของเขาหางของเขาตัวของเขาถูกอากาศน้อยนิด นั่นแหละพระธรรมเทศนาที่พระท่านเอามากล่าวเนี่ยมีประมาณแค่นั้นนะแต่ที่ยังไม่ได้นํามากล่าวพระคุณของพุทธเจ้าที่ยังไม่มากล่าวเหมือนกับอากาศในจักรวาลทั้งสิน้นมาพิจารณาอย่างนี้ท่านบอกโอ้โหคุณของพุทธเจ้าใช่ไหมมากมายนักแต่เราก็คิดไม่ได้คิดไม่ถึงเนี่ยนะเราท่านทั้งหลายก็ลองมาพิจารณาพุทธคุณใช่ไหมถ้าเราก็คึกท่องได้อิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณาสัมปันโนเมื่อกี้เราสวดกันใช่ไหม สวดไปก็ยังเฉยๆใช่ไหมถ้าหากว่าแค่เขาพารณนาอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในคุณนะ่อิติปิโสภะกว า, ารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตเนี่ยในรัตนามาราในพุทธคุณส่ิบประการเนี่นะเขาสามารถเอามาขยายได้ทุกศัพท์เลยนะอิติปิโสภะกวาไลไปดิอย่างคำว่าอีเนี่ยมยาจากคำว่า อิโทสพันยุตยานังอิชันโตอาสวะขายังอิทังดำมังอนุปปโตอิธิมันโตนามิหังพระบรมศาสดาพรพุทธเจ้าพระองค์ใดปรารถนาแล้วซึ่งสัพันยุตยานปรารถนาอยู่ซึ่งทำเป็นที่สิ้นไปแห่งกรร ม, มาสวะพระวาสวะทิฐาสวะวิชาสวะถึงแล้วโดยลำดับแล้ว ซึ่งทำอันพระองค์ปราถนาแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระพุทธเจ้าผู้มูริศมือมีฤทธิ์พระองค์นั้นลองพิจารณาดูพระเจ้าปราถนาสภัญยุตยานเพื่ออะไรเมื่อได้สภัญยุตยานมาแล้วสภพญยุตยานอนาวรณญญาญของพระบรมศาสดาก็แทงตลอดขันาาธะระยะชนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจาทั้งสิ้นหมดเลยสรุปแล้วก็แสขันาาธะระยะชนะของเราท่านทั้งหลายนี่นะสภัญยุตยานของพระบรมศาสดานั้นอนะ่ะส่องทะลุทะลวงหมดแล้ว แล้วก็รู้ด้วยไหมว่าขันท่อนาอายตนะเหล่าเนี้ยผ่านมาสองพันกว่าปีก็ยังไม่ได้บรรลุแล้วก็ไม่ได้บรรลุจริงๆเห็นไหมเนี่ยมากันทุกวันมานั่งกันอยู่เนี่ยยังเต็มไปด้วยราคาโทสาโมหามานติติวิจิกิจฉาอิริการโนตระบาแล้วก็อุทะเจอาวิชาใช่ไหมยังหนาแน่นด้วยอัตตาทิฏฐิแล้วก็สักยทิฏฐิ ถามว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตตับเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่เราคิดถึงสรีล่าของเราทั้งสิ้นเราก็คิดไหมว่ามันเป็นรูปธรรมหรือคิดว่าเป็นผมของเราอยู่เห็นไหมความรู้สึกเราก็ยังหนาเนี่นี่ยผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกก็อัตตทิฐิเหล่านี้ก็เกิดเขาเรียกอัตตาเห็นด้วยความเป็นอัตตาเห็นด้วยความเป็นตัวเป็นตนหมดเลยแม้สุขเวทนาเกิดขึ้นก็บอกเรามีสุขเห็นไหม แม้สัญญาเขาไปจําต่างๆนี้ก็บอกแม้เราจําได้แม้ความดีใจเสียใจเกิดขึ้นก็บอกแม้เราดีใจเราเสียใจแม้เราเห็นใช่ไแม้จกักคุณญาณทํากิจทัศนกิจในการเห็นเราก็ไปสําคัญว่าเราเห็นโส ต, ว, ตวิญญาณก็ทําทัศนกิจทํากิจในการได้ยินเราก็ไปสําคัญว่าเราได้ยินขานาวิญญาณทำขานนัยกิจในการรู้กินแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรารู้กินใช่ไหมความเป็นอัตตาของเราก็ยืดหมด ม้นท์ทบอกว่าทัศนสันตติเรามองไม่เห็นไม่เห็นความสืบต่อกันของกระแสทางจากฟุตวานเป็นต้นไปสําคัญว่าเราได้ยินหมดเลยนะสวาวสันตติการสืบต่อทางทางวานหูเราก็สําคัญว่าเราได้ยินกายนะสันตติทางทวานจมูกเราก็สำคัญว่าเรารู้จินสายนาสันตติเราไปกินอาหารมเมื่อกี้ใครกิน เรากินเราอร่อยลอยเราเผ็ดเราไม่เผ็ดใช่ไหมมันก็มีความเราเป็นหมดเลยไหมพุทธนาฏศรติสืบต่อทางทวารกายโอ้วันนี้เย็นวันนี้ร้อนแม้ตั้งใจจะไปในโบสถ์พระนะในพระอุโบสถตั้งใจว่าจะไปบรรยายธรรมถวายเป็นพุทธบูชาได้ดูพระรูปของพุทธเจ้าเห็นไหมนี่อาตมาโทษพวกเราเนี่ยบุญน้อยอาตมาที่เข้าไปได้ใช่ไหมแต่พวกเราก็เข้าไม่ให้เข้าสย บนนุญนอนเนี่ยก็เรียกว่าเลยกะว่าจะเไปดูเขาบอกเอเดี๋ยวย้ายจาพุทธองค์การพุทธศาสนาทีสบัติเราไปในไปดูหลวงพ่อเพราะเขาสร้างไว้เพื่อเห็นนินมิตที่เขาสร้างพระพุทธรูปทั้งสิ้นนี่เป็นเจดีใช่ไหมเป็นนิมิตเพื่อจะทําให้เรานั้นคิดถึงพระรูปของพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีความงามมากขนาดเขาเนรมิตมาในยุคลงองหลังยัางงามขนาดนี้จะได้เห็นพุทธลักษณะของพุทธเจ้า เขาเรียกเห็นมหาปุริสละคณะและอนุวยัญชนะของพระบรมศาสดาจะย้อนเห็นพุทธคุณของพระพุทธเจ้าวกว่าที่พระพุทธเจ้าจะได้ลักษณะอันงามอย่างเนี้ยพระองค์ต้องบ่มบารมีมา20ประสงไข ย, ยิ่งโดยแสนมหาการัปย์ยังไงเนี่มันจะได้เดินสัตตินซีได้และจะได้สร้างสัตตินตีนเนี้ยเราก็ยังไม่ได้เห็น <c oughs> อย่างไรแตก็คิดนองนึกนวลก็เลยเห็นองค์เล็กๆข้างหลังใช่ไหมก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ย ว่ากรณีที่บางทีเนี่ยความเป็นอัตตาและมันไม่แค่นั้นใช่ไหมเมื่อสำคัญว่าเราเห็นเราได้ยินเราได้กินเราเริ่มรสเราสัมผัสเราถูกต้องนี่นะตลอดถึงจินตนาสันติตเราคิดอย่างนั้นแล้วก็เวลามาฟังธรรมปุ๊บเราเข้าใจเห็นไหมมันจะมีเรากำกับไว้หมดเลย นี่เขาเรียกว่าสันตติความสืบต่อทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราไม่เคยเห็นมองเห็นความสืบต่อการขาดตอนของความคิดไม่เห็นกระแสขันท่าอจตนาที่มันไหลไปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยอันนี้บอกบอกว่าอัตตานิ่งเหนียวแน่นมากนี่เขาเรียกว่าสักยทิฐิแล้วแค่นั้นพอไหมไม่พอใช่ไหมถ้าเรามีอะไรใส่อย่างเนี้ยอันนี้ อันนี้แว่นใครเนี่ยแว่นเราใช่ไหมเสื้อใครเนี่ยเสื้อเราใช่ไหมใครเอาเกี่ยวหูมาอีกเอาใส่หูมาอีกตอนนี้ใช่ไหมบางคนก็คล้องค อ, งคองมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ใช่ดินน้ำไฟลมไหมใช่ไหมถ้าใครไปบอกดินน้ำไฟลมเราเถียงตายเลยนะโอ้ยเพชรนะ น, นี่ทองนลย น, นีย่ใช่ไหมเห็นไหมเราเห็นผิดกันหมดเลยอะ่ะเราไปสําคัญเข้าใจผิดหมดแล้วเราถูก เราถูกย้อมด้วยความเข้าใจผิดมาอย่างยาวนานในสังสารวัตนี่เ็าเรียกอัตตนิยะสิ่งที่เนื่องโดยตนแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะอัตตนิยะเนี่ยมันมีสองส่วนใช่ไหมส่วนที่มีวิญญาณครองกับไม่มีวิญญาณครองถ้ามีวิญญาณครองก็ลูกเราสามีเราภรรยาของเราเพื่อนเรา พ่อเราแม่เราโอ้โหไปเยอะเลยเดีเยวนี้นะนะเข้านะเข้าคนนี้ไม่โทรกันเราโห้โหคนนี้ไปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ไหมนี่อัตตากขาอัตเนียมันก็ฟังแน่นอย่างเงี้ยเข้าใจยังมันถอนตัวนี้ไม่ได้อันนี้คือเชื้อของบาปปฏิทิฐบาปปฏิฐิและบา ป, ปกรรมทั้งหลายอากุศลกรรมมันชั่วชา้าเร็วซามทั้งหลายมันก็จะไหลาตามมา เพราะมันมีบาปปฏิทิและสักยทิฏฐิที่ฝังแน่นในกมลสันดานของเราท่านทั้งหลายนี่แหละฉะนั้นตรงนี้จะถอนได้ด้วยอะไรวิปัสสนาสัมมาทิฐิละได้โดยต ท, ทางคปปาร์หันมัคมาทิฏฐิจะถอนด้วยสมุทเฉทปปาร์หันอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาอย่างนี้ฉะนั้นพระบรมศาสดาเนี่ยนะท่านสิ้นกา ม, มาสะวะพระวสะวะทิฏฐาสะวะเนี่ยตัวทิฐิตัวสักยะทิฏฐิพระองค์ถอนเกลี้ยงหมดแล้ว อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยยังมีตัวนี้แหละซึ่งมันเป็นบอกเกิดเห็นความเข้าใจผิดเมื่อยังมีความเข้าใจผิดตัวนี้ก็เป็นเหตุทำให้เราท่านทั้งหลายต้องท่องเที่ยวเขาเรียกว่าเราเนี่ยจะต้องเดินทางกันอีกยาวไกลในสังสารวัฏแล้วยมหรือยังวางแผนการเดินทางกันยังไงจะมานั่งประชุมกันอยู่เนี่ยใช่ไวางแผนกันยังไง ปัจจุบันในภพนี่มันก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ใช่ไหมมีโอกาสในการที่จะฟังว่าทําได้แล้วพอจะรู้เรื่องพอจะเข้าใจนี่นะแต่ถ้าถามว่าในภพต่อไปอ่ะและในต่อต่อไปอีกล่ะเราจะทํำยังไงเนี่ยถ้าเรายังถอนไอ้ตะปูตึงใจคือมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดที่ฝังแน่นในกมือนักขัของเราเรายังถอนออกไม่ได้ใช่ไม่ใช่ถ้าเราถอนออกไม่ได้นี่เราเสียหายเราวิบัติเนะี่ยไอ้มาใช้คําว่าวิบัติแน่ ถ้ถอนออกไม่ได้เพราะบางทีดังที่ได้กล่าวตอนเช้าไงบางพรบางชาติเนี่ยเราเป็นเทา้าเราเป็นเทวดาก็ได้เราเป็นเท้ามหาพรหมก็ได้เป็นอภัสราพรหมก็ได้เป็นเวหาภราพรหมก็ได้สุปกินหาพรหมก็ได้เป็นเนวสัญญานาสัญญาเยตนาพรหมก็ได้บางพบบางชาติเราก็ล่วงแปะลงมาอยู่ในอายภพูมตกในเวจีมหานรกก็ได้โดยสรุปก็คือบอกว่าบางทีเราก็ทําปันปฏิบาตไอปันปฏิบา ต, บ า, ตบางครั้งเราก็ไปทํามาถูกคาดก็ให้ ปีตุคาดก็ให้อาหารหันตคาดโลหิตุปบาทบางพบหนักไม่ใหญ่ทําสังฆเพศเลยเราเชื่อไหมเนี่ยในสังสารวัตรที่ผ่านมา เ, เราทํากรรมประเภทนี้มาแล้วเพราะกรรมที่เราไม่เคยทําคือมรรคกรรมใช่ไหมอันนอกนั้นทํามาหมดแล้วและอย่างหนึ่งก็คือนิยตามิจฉาทิฏฐินั้นยังไม่ยังไม่ทะลุลงไปแม้บุญแท้เนี่ย ใช่เป็นบุญมากๆเลยนะที่เรานั้นไม่ล่วงเกินไม่เป็นอเนจตามิชาทิฏฐินี่ก็ต้องป้องกันถ้าถามว่าเชื่อมีไหมสักยะติถิยังมีอยู่อ่ะโอกาสยังมีอ่ะแต่เนี้ยส่วนคำว่าติเนี่ยนะมาจากคำว่าตินโนโยวะ ต, ตุกัมหาตินังโลกานามุตตะโมติโสภูมิอติกันโต ตินนาโอคังนา ม, ามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดข้ามแล้วจากทุกขในวัตตะคำว่าทุกในวัตตะเนี่ยคำว่าวัตตะนี่มันคืออะไรเนี่ยกระแสของขันธ์ธาตุยตนะใช่มเขาเรียกว่ากิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏใช่ไห กิเลสวรรัดก็คือวัดตะตัวนี้เป็นตัวกิเลสคือราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิเป็นต้นกรร ม, มวัดก็คือเจตนาที่เป็นไปกับกรรมไอตัวนี้ตัวตัวกรรมกรรมเนี่ยนะบางคราวแล้วก็ทําบุญใช่ไหมบางคราวแล้วก็ทําบาปบางคราวก็ทํากุศลกรรมประเภทสูงหน่อยก็ <S <S เรื่องอเนช <S <S เชก็เรียกอารูุปกกรรมเนี่ยกรรมที่ไปเกิดในอรูปภูมิ <S <S เห็นไหมว่าตัวกรร ม, มวัดตัวนี้มันก็ทําให้เราเนี่ย แล้วก็เราก็ได้รับวิบากวิปากวัฏเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจของการเป็นมนุษย์มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในการเป็นมนุษย์ใช่ไหมมาจากกุศลกรรมกรรมที่มาเกิดเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าศี่ห้ากุศลกรรมบวชสิบครบนะเนี่ยถ้าไม่ครบไม่ได้อัตภาพการเป็นมนุษย์หรอกทีนี้เมื่อวานเนี่ยจะมาพูดให้กโยมที่ฟังที่บริษัทของกโยมได้ฟังว่า มิจฉาทิฐิหรือสักกายทิถีเนี่ยนะความเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลเนี่ยพระเถรคาถาอาจารย์นั่นบอกว่าห้ามมรรคแต่ไม่ห้ามสวรรค์ใช่ไหมแล้วท่านมาสรุปตอนท้ายว่าขึ้นชื่อว่ามิจฉาทิฐีที่จะไปสวรรค์ได้เป็นไม่มีคือจะไปสุคติได้เป็นไม่มีเนี่ยฉะนั้นถ้าใครยังมีความเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสักกายทิถิเป็นอัตตทิฐิเนี่ยไม่ต้องพูด ว่าจะห้ามมัดแค่เป็นมนุษย์ยังเป็นไม่ได้แล้วเราจะว่ายังไงถามว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นโลภะใช่ไหมเกิดร่วมกับโลภะใช่ไหมถ้าเกิดร่วมกับโลภะก็เรียกอัตสาทิฏฐิเอาสิถามว่าเราทำกรรมที่เป็นไปกับโลภะกรรมที่ทำกับเป็นไปกับโลภะจะให้ผลเป็นมนุษย์ได้ไหมได้ไม่ได้ถ้ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในการทากรรม เอา้าแม่พรพูดไปที่อาตมาบอกให้ยกไปไกลๆนี่แม่อาตมาไม่ใช่ไปรังเกียจบุญนะเดี๋ยวจ้อาตมาจะวางจิตไม่ถูกใช่ไหมเพราะอาตมาไม่ได้สแสดงทำเพื่อตรงนั้นคือมองน้องมองให้เป็นบุญไปเดี๋ยวคนมองเห็นโอ้โหนี่ไปแสดงทำยังไงมีอะไรไม่รู้อาตมาก็เดกลัวใจเลยอาตมาไม่เป็นบุญเพราะอาตมาก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมหนึ่งอาตมาจะพูดว่าทำก็ต้องพูดให้เป็นบุญเหมือนเราท่านทั้งหลายเวลาจะฟังทำเราก็ต้องวางจิตให้เป็นบุญใช่ไหม ทีนี้ในขณะที่ให้ทานบริจาคทานเลยก็เลยใจที่เป็นไปกับกุศลตอนนั้นกุศลและจิตกำลังเดินอยู่ใช่ไหมพอกุศลอันนั้นดับลงไปปุ๊บเราก็ไปยืดอีกทีเราเป็นผู้ทำเอาล้วสิในขณะที่ไปยืดปุ๊บว่าเราเป็นผู้ทำในขณะนั้นเป็นอะไรสักยะทิฏฐิสำคัญว่าเรามีเราเป็นผู้ทำเอาสิ มันคนละขนาดกับกุศลเกิดนะไอ้ขณะที่ทําเป็นบุญขณะที่เขาไปยึดการกระทำเนี่ยเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเข้าใจเข้าใจไหมเนี่ยแยกให้ถูกนะเดี๋ยวแยกไม่ถูกเดี๋ยวหาอาจามาเนี่ห้ามไม่ให้ทําบุญบุญนับดีกุศลนั่นดีพรอพูดถึงเรื่องนี้ต้องอธิบายให้ชัดถ้าใครไม่เข้าใจก็สอบถามคนที่เข้าใจถือว่าอาจารมาจะพูดว่าให้เข้าใจก็แล้วกันใช่ไหมว่า ตัวเข้าไปยึดว่าเรามีเป็นเราเป็นผู้กระทำนั่นแหละตัณหาที่เข้าไปยึดทิฐิที่เข้าไปยึดสําคัญว่ามีอัตตามีเรามีของของเราเป็นต้นเป็นผู้กระทำมันคนละขณะกับบุญถ้าไอตัวยึดเนี่ยให้ผลมันก็ไปทางที่ไม่ดีแต่ถ้าตัวกุศลจิตที่ทํานั้นให้ผลมันก็เลยได้เป็นมนุษย์เนี่ยฉะนั้นอัตภาพในกรณีที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนับว่า เวลาเราเขียนอุปมาที่บอกว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีจะโผล่จากมหาสมุทรั้งใช่ไหมแล้วก็มีบุรุษคนหนึ่งใช้เฉวียงเล็กๆไปยืนอยู่ขอบจักรวาลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตาบอดเลยนะหลับหูหลับตาเวียงมากลางทะเลกลางมหาสมุทรเนี่ยไอยตัวนี้ก็ลอยลอยมันพอดีใกล้หูศีรษะเต่าหัาวเต่าเลยอะ ไละเต่าตัวนี้ร้อยปีมันจะมีโอกาสโผล่มาปุ๊ดเดียวนให้สวมตรงๆเนี่ย